ทบทวนอีกทีธรรมสมถะได้ความสงบธรรมวิปัสสนาได้ความ ก็จะเกิดขึ้นต่อมาก็เริ่มสังเกตความเป็นไปที่มาที่ไปของสิ่งที่สมถะกรรมฐานเนื้อหาที่แท้ นั่งทนสงบได้นานคนทําเก่งกว่านั้นก็มีมี พอพื้นฐานทางด้านสมาธิเป็นเลขอยู่แล้วที่เล่ามา ก็จะทําตามแบบที่คนส่วนมากเขาทํากันคือเกาะเอี่ยวเกาะล้างเดินตามกันมากันไปไหนก็ยังไม่รู้ เชื่อกันว่าพาไปพ้นทุกข์ได้นี่แหละตอนที่ยากที่สุดในการปฏิบัติธรรมก็คือความ แต่ไม่เข้าใจเอาๆกับเป็นการทําตามประเพณีผลที่ได้คือบุญบุญ เอาล่ะอาจารย์คงจะเห็นว่าตัวเองคงอะไรคะก็พิจารณากายสิเธอพิจารณายัง ก็มาถือศีลนั่งสมาธิมันก็นานแล้วคง ถ้าต้องการรู้ความได้แต่จะให้ได้ความรู้มากกว่านี้ การที่จะตอบปัญหานี้ได้ก็ต้องค้นหาด้วยตัวเองไล่ 4 คนใใ4 แต่ต้องการจะหนีทุกข์อย่างแน่ คือมีตัวรับทุกข์มีตัวกูอย่าง ถ้าไม่มีปัญญาที่จะค้นหาว่าต้องการอะไรก็จบกันตรงนี้แหละแต่ถ้าศิษย์มีปัญหาเป็นมีปัญญาอยู่บ้างก็ต้องถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้ความคิดว่ามันมีตัวตนหรืออัตตานั้นมัน เนมม์ในการพิจารณากายนี้กว้างขวาง ผู้มีปัญญามากเหมือนวัวพ้นน้ําแล้ว <c oughs> <c oughs> มาควรจะพิจารณาอย่างไรจึง ไตรลักษณ์คือสิ่งที่ ลองไปอ่านสติปัฏฐานสูตรก่อนแล้ว เป็นทางเดียวที่จะพาให้พ้นทุกข์ได้ทางเดียวที่จะพาให้ กายมันทําอะไรข้อ 2 ขั้นต่อมาให้ดู 3 ต่อไปดูข้อ 4 เรื่องราว 3 ทํางาน อันเหมือนกับเช่นเสาผนังพื้นหลังคาเป็นกล่าวกรากการ analyze ให้เห็นว่าเมื่อแยกบ้านออก ต่อไปก็สังเกตดูชั้นส่วนแต่ละ ย้อนไปข้างต้น 1 2 3 4 เมื่อรวมกันเข้า จะเห็นชัดภาษาเหลี่ยมมุมๆภาษาพระเขาเรียกอุบายในการ จะมาบรรยาย <c oughs> 8 กับการ 8 ข้อมีความสําคัญเสมอๆจะพบ วิริยะและสติเช่นใน 8 ข้อ 7 คือสัมมาสติสัมมาสติได้แก่อะไรในการปฏิบัติที่กล่าวมาแล้ว ภาเกิดจากสัมมาสติจิตจะเฉียบ เลี้ยงควายคนที่ 2 ที่เคยยกตัวอย่างมา จึงสามารถตัดวงจรของการเกิดได้เรื่องของการเกิดนี้ต้องเข้าใจวงจรของภพชาติซึ่งมีแสดงไว้ในปฏิจจสมุปบาทอันนี้แหละคือตัวแท้ที่พระพุทธเจ้าสรรรู้ในพื้นวันวิสาขบูชาและมีการ พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ 4 ในมีการโต้แย้งกันมากมายจากนักวิชาการวิชาการ